ย้ำยุทภาคที่สองตอนที่ยี่สห้าความกลับกลอกของตรุหยวนเอาดีใสยวนเอาชั่วใส่ไทยในปีมะเมียฉศกนั้นครั้นถึงนาเดือนแปดขึ้นสี่ํำนายทับยวนชื่ององโดยไดย้ขุมยวนยี่สดคน ถือหนังสือเดินมาทางเมืองขมรองค์โดยดายแจ้งความกับขุนพิทักษ์ปัตตภีขมร น, นายด่านเมืองพระตะบองว่าแม่ทัพยวนฝ่ายเรือชื่อองค์ตาเสียงเฟิงใช้ให้ถือหนังสือมาให้ท่านองค์เป็นใหญ่บดินแม่ทัพไทยที่เมืองพระตะบองขมิ น, นายด่านนําองค์โดยดายผู้ถือหนังสือยวนไปส่งเมืองพระตะบองเจ้าพระยาบดินเดชา สั่งล่ามให้ถามองค์โดยดายว่าหนังสือฉบับนี้ส่งมาแต่เมืองหลวงกรุงเวหรือมาแต่เมืองไส่งอนองโดยดายแจ้งความว่าเป็นหนังสือขององค์ตาเืองเสิงแม่ทัพใหญ่ฝ่ายเรือซึ่งตั้งทัพอยู่ณนะที่ป่าคลองสีแย่โดยภาษายวนเรียกว่าเกียนมใยแปลเป็นภาษาไทยว่าเกาะแตง แม่ทัพเรือมีหนังสือใช้ให้ถือมาส่งองค์เป็นใหญ่บดินแม่ทัพไทยที่เมืองพระตะบองแล้วองค์ตาเตียนเสิงมีหนังสือชัยให้จีนพ่อขารังนกชื่อจีนไลหูหลงเรือปากปลาใหญ่ใช้ใบแล่นไปส่งหนังสือที่กองด่านทะเลไทยซึ่งตั้งอยู่ณักาะกองกลางทะเล ให้ส่งหนังสือนั้นไปยังเจ้าพระยาพระังแม่ทัพเปลือที่เมืองจันทบุรีเจ้าพระยาบดินเดชาได้ทราบความดังนั้นแล้วจึงให้ล่ามแปลหนังสือยวนออกได้ความเสร็จสิ้นจึงสั่งให้พระกำจรใจหานกับขุนสีสังหารขุมไพรพลสามสิบคนถือต้นหนังสือยวนกับสำเนาแปลทรงไปยังกรุงเทพแล้วจัด ก, การเลี้ยงดูยวนพอสมควร ในณเดือนแปดขึ้นปีมะเมียฉศกนั้นที่กรุงเทพได้รับหนังสือยวนที่กองกระเวณเมืองกราบได้ส่งเข้ามาแล้วแจ้งความว่าเป็นหนังสือขององค์ตุนเผื่อเจ้าเมืองบรรทายมาส่งมาให้กองกระเวณไทยส่งต่อไปยังกรุงเทพฉบับหนึ่งแล้วในณเดือนแปดนั้นได้รับหนังสือยวนมาแต่เมืองจันทบุรี ที่เจ้าพระยาพระคลังได้รับมาจากขุนอุดมศักดากองประเวณที่เกาะโกงส่งมาว่าเป็นหนังสือขององค์ตาเตียงเซิงแม่ทัพเปลือฝ่ายยวนฉบับหนึ่งและได้รับหนังสือยวนมาแต่เมืองพระตบองที่เจ้าพระยาบรินเดชาส่งมาว่าเป็นหนังสือขององค์ตาเตียงเซิงแม่ทัพเปลือฉบับหนึ่งรวมหนังสือยวนส่งเข้ามากรุงเทพสามฉบับมีเนื้อความต้องการว่า หนังสือขององค์แม่ทัพยวนฝ่ายเรือทะเลชื่อองค์ตาเตียงเซิงผู้ถืออาชญาสิท์บังคับแม่ทัพเรือแต่ล้วนเป็นใหญ่ในสิบกองทั้งเรือรบน้ำจืดและเรือน้ำเข็มเป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดในราชการฝ่ายแม่ทัพเรือทั้งสิน้นขอแจ้งความมายัางแม่ทัพ บ, บกและแม่ทัพเรือไทยได้ทราบ แล้วให้ส่งเข้าไปยังท่านเสนาบดีกรุงพระมหานครศรีอยุธยาบางกอกได้ทราบด้วยจะได้นำขึ้นถวายพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาได้ทรงทราบอัคคีสา ย, สยน้าใจแม่ทัพยวนแม่ทัพยวนคิดว่าแต่เดิมกรุงศรีอยุธยากับกรุงเวียดนามได้เป็นทางพระราชไมตรีกันอันสดิทมาช้านานถึงสองแผ่นดินแล้ว ไปในแผ่นดินที่สามนี้เล่าพระเจ้าเวียดนามก็ยังทรงรักใคร่นับถือเสมอต้นเสมอปลายอยู่จึงได้แต่งทูตยวนให้ไปเยี่ยมเยียนพระศพและถวายเครื่องบรรณาการคำนับจับพระเจ้าแผ่นดินใหม่ฝ่ายไทยพระองค์นี้ด้วยถ้อยทีที่มีพระราชสารไปมาถึงกันและกันมาช้านานเมื่อครั้งเจ้าอนุลาวเวียงจันทร์เป็นผู้ป่อเหตุขุนเคืองขึ้นกับไทย เพราะเจ้าอนุลงมาเฝ้าที่กรุงเทพครั้งนั้นขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายไทยหลายคนพูดจาทํากิริยาดูหมิ่นดูถูกเจ้าอนุมากและเจ้าผู้ชายซึ่งเป็นเจ้าหนองเล็กๆต่างมานดา ก, กับพระเจ้าแผ่นดินไทยนั้นเป็นหลายองค์ฉวนกันข่มเหงข่คมขู่เจ้าอนุต่างๆเพราะเห็นว่าเป็นเหลา่าฝ่ายเจ้าอนุ ก็ถือตัวว่าเป็นเชื้อสายสืบกระตับมาหลายชั่ววงแล้วมาถูกเจ้าเล็กๆ เ, เด็กๆคมเหงและถูกขุนนางไทยดูหมิ่นจึงเสียใจกลับขึ้นไปเมืองเวียงจันทร์จึงจัดการกองทัพยกลงมาทำศึกแก้แค้นตอบแทนกับไทยบ้างแต่เจ้าอนุเสียทีแก่ไทยเพราะถูกหลอกถูกกลวงขุนนางลาวของตนเองเป็นไส้ศึกจึงได้หนีไปอาศัยพึ่งยวน ครั้งนั้นผู้ครองฝ่ายยวนใช้ให้ขุนนางยวนถือหนังสือไปว่ากล่าวโดยดีเพื่อจะปณีปรนอมขอต่อแม่ทัพไทยให้เจ้าอนุคงคืนเป็นเจ้าเมืองเวียงจันทร์อย่างเดิมกับได้มีพระราชสานให้ทูหยวนไปทางทะเลจนถึงเมืองไทยเพื่อจะได้ขอโทษเจ้าอนุเวียงจันต่อไปแต่ขุนนางยวนผู้ถือหนังสือไปทางบกนั้น ขันถึงกองด่านไทยกองด่านไทยก็เก็บหนังสือยวนไว้แล้วจับยวนฆ่าเสีย48คนขุนนางนายด่านไทยฆ่ายวนผู้ถือหนังสือดังนี้ผิดด้วยเยี่ยงอย่างประเพณีขนบธรรมเนียมเมืองเป็นไมตรีกันถึงเช่นนั้นผู้ครองฝ่ายยวนยังอดกลั้นความโกรธไวได้เพราะคิดถึงบุญคุณเก่าๆของไทยมาก ที่ไทยได้ทมนุบบำรุงพระเจ้ายาหลวงบรมปษะศัตรคือองค์เชียงสือต้นพระราชวงศ์ในแผ่นดินยวนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อราชทูตไทยมาถึงกรุงเวผู้ครองฝ่ายยวนไม่ได้สักไซไต่ถามเพราะเกรงว่าทางไมตรีจะมัวหมองไปและเมื่อทำการพระบรมปสพพระมหาอุปราชนั้นคือพระเมรุ กรมพระราชวังที่สามผู้ครองฝ่ายยวนได้แต่งทูตานุทูตยวนให้นำบรรณาการเข้าไปช่วยในการพระสพพ ร, ระมหาอุปราชฝ่ายหน้าด้วยแต่ครั้งนั้นผู้ครองฝ่ายไทยได้แสดงกิริยาการทำลายล้างทางไมตรีแก่ยวนก่อนคือขุนนางไทยขับไล่ทูตยวนเสียจากเมืองบางกอกแล้วคืนเครื่องบรรณาการของยวนมาเสียสิ้น ไทยทาอย่างนี้ก็เห็นได้ว่าขาดจากทางพระราชมาตรีกันแล้วและเป็นเหตุที่จะก่อการสุดสงครามกันต่อไปฝ่ายยวนรู้เข้าใจดังนั้นแล้วแต่ไม่ได้คิดจัดกา ร, ตรเตรียมกองทัพไว้สู้รบกับไทยเพราะเข้าใจว่าไม่อยากจะฆ่าฟันไทยผู้มีบุญคุณเลยถ้ายวนไม่คิดดังนี้แล้วที่ไหนเล่า ยวนคงจะคิดต่อสู้กับไทยให้แข็งแรงตามทํานองศึกที่ไหนไทยอาจจะร่วงมาเหยียบในเขตแดนยวนได้อันหนึ่งเมื่อครั้งปีมะเสงเบญจศุกที่ล่วงมาแล้วปีหนึ่งนั้นผู้ครองฝ่ายไทยเชื่อฟังพวกลาวขบฏดยุยงให้ไทยถึงความดีมาหาที่ร้ายหาเหตุผลไม่ได้เลยและหามีความวิวากบาดหมางสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับยวนไม่ ใหยกกองทัพมาทั้งทางบกและทางเรือมาทำศึกกับยวนก่อนฝ่ายยวนก็ยังคิดถึงบุญคุณของพระอัยกาทสิราชแห่งไทยซึ่งมีแก่ยวนโดยมากเพราะฉะนั้นยวนจึงไม่คิดต่อต้านล้างผลาญกองทัพไทยให้เสียยับเยินมากยวนจึงทิ้งเมืองบันทายมากเมืองโจดกเมืองใหม่เมืองอํานาวเสียทั้งสามเมืองยวนล่าทัพหนีไป เป็นการคำนักทัพไทยสามครั้งต่อครั้งหลังยวนจึงยกกองทัพออกสู้รบกับไทยตามกฎหมายอายการศึกแต่ยวนกับไทยได้รบกันที่ตำบลเจียนตายคือเกาะแตงนั้นยังไม่แพ้ชนะแก่กันทั้งสองฝ่ายแต่แม่ทัพไทยผู้ขาดก็โวนชิงล่าทัพถอยหนีเสียก่อนฝ่ายทัพยวนถ้ายังมีอาฆาตพยาบาทแก่ไทยอยู่แล้วขณะนั้น ในกองทัพยวนมีไพรพลทหารอยู่ถึงแสนหนึ่งมีเรือรบใหญ่น้อยอยู่ถึงพันลำฝ่ายยวนก็เป็นที่มีช่องจะได้ชัยชนะแก่ไทยเป็นแน่ถ้ายวนจะไล่ต้อนกองทัพบกทัพเรือให้ตีกระนาบกระนำทั้งทางเหนือและทางใต้ฝ่ายน้ำและบนบกนั้นก็จะมีชัยชนะแก่ไทยได้คนและเรือช้างมา้าโคกระบือ และสัพพวุฒ์มาเป็นเฉลยโดยมากการเป็นช่วงผีอยู่อย่างนี้แล้วยวนยังไม่ได้ตามตีไทยเพราะว่าแม่ทัพยวนถือรับสั่งพระเจ้าเวียดนามสั่งว่าไม่ให้กองทัพยวนไล่ติดตามตีกองทัพไทยเมื่อล่าหนีนั้นเป็นอันขาดให้เป็นแต่ตั้งรับทัพไทยไว้อย่าให้ไทยไล่ลุกมาตีบ้านเมืองไปได้เมื่อไทยไม่สู้หนีไป ก็อย่าให้ยวนไล่ตามข้าเลยมีรับสั่งดังนี้เพราะยวนเสียดายทางไมตรีแก่ไทยยวนจึงไม่โกรธถือโทษแก่ไทยถึงมากว่าไทยจะไม่รู้จักบุญคุณยวนที่ไม่ตามตีไทยในครั้งต่าแตงนั้นไทยจะไม่แต่งราชทูตเชิญพระราชสารออกมาถวายพระเจ้าเวียดนามเหมือนแต่ก่อนผู้ครองฝ่ายยวนก็จะไม่ว่า ก, กล่าวถือโทษแก่ไทย และผู้รองฝ่ายยวนจะไม่ยกกองทัพบกและทัพเรือเข้าไปตีกรุงพระมหานครศรีอยุธยาเป็นการตอบแทนแก้แค้นอีกเลยตั้งแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าขออย่าให้ไทยก่อการวิวาสมีเหตุทาสึกสงครามแก่ยวนต่อไปเลยนานาประเทศซึ่งเป็นเมืองข้าศึกจะดูถูกดูหมิ่นต่างๆได้การที่ไทยทําผิดเยี่ยงอย่างทางพระราชไมตรี มาแต่การต่อห น, นันยวนไม่ถือโทษจะยกโทษให้แก่ใครซึ่งเขตแดนของใครใครก็รักษาให้เรียบร้อยราบคาบเป็นปกติไว้เถิดไพร่บ้านพลเมืองอาณาประชาราจะอยู่เย็นเป็นสุขทามหาจินไปมาข า, ขายได้สบายด้วยกันทั้งสองฝ่ายหนังสือฉบับนี้ทรงมาแต่ไข่เกียรตาย สกราชมินมังปีที่สิบ็ดในกรัชการกุ่งเวเจ้าพนักงานแปลหนังสือหยวนตรวจตราดูเนื้อความถูกต้องกันทั้งสามฉบับแล้วจึงนำทูลกล้าวถวายครั้งนั้นฝ่ายเมืองลาวทางตะวันออกซึ่งเป็นปลายเขตแดนของกรุงเทพนั้นมีหนังสือบอกลงมายังกรุงเทพพระมหานครเจ้าพนักงานได้นำหนังสือยวนที่เมืองลาว ส่งลงมากับต้นหนังสือยวนและใบบอกเมืองลาวด้วยขึ้นทูลกล้าวถวายใจความตามหนังสือใบบอกนั้นว่าหนังสือองค์ทงเจอัครมหาเสนาบดีวิวนกุงเวส่งมาถึงเมืองหลวงพระบางฉบับหนึ่งหนังสือตุนผู้เลยเจ้าเมืองหันตวาส่งมาถึงเมืองมหาชัยกองแก้วฉบับหนึ่งหนังสือจงตกเจ้าเมืองแงอานทรงมาถึงเมืองยโสธรฉบับหนึ่ง หนังสือโงหุยเจ้าเมืองมหาตีส่งมาถึงเมืองอุบลราชธานีฉบับหนึ่งหนังสือองค์เล่หับหนายด่านทางบกฝ่ายเหนือของยวนส่งมาถึงเมืองนครจัตวาศักดฉบับหนึ่งรวมหนังสือยวนที่ส่งมาทางเมืองลาวนั้นเป็นห้าฉบับด้วยกันเป็นอักษรยวนบ้างอักษรลาวบ้างระคนปนกันทั้งห้าฉบับกับหนังสือของยวนนายด่านต่างๆทางบก นำมาแขวนไว้ที่ปลายเขตแดนเมืองนครพนมฉบับหนึ่งเมืองเขมราชฉบับหนึ่งเมืองมุกดาหารฉบับหนึ่งเมืองหนองละหานฉบับหนึ่งรวมหนังสือยวนที่นำมาแขวนไว้ตามหัวเมืองลาวนั้นสี่ฉบับเป็นอักษรลาวเจ้าเมืองลาวทั้งสี่หัวเมืองเก็บหนังสือยวนทั้งสี่ฉบับมาส่งให้พระเจ้านครหลวงพระบางพระเจ้านครหลวงพระบางจึงส่งต้นหนังสือยวน ที่ใช้ให้คนนํามาถึงเมืองลาวห้าฉบับกับหนังสือยวนนํามาแขวนทิ้งไว้ตามหัวเมืองลาวอีกสี่ฉบับรวมหนังสือยวนเก้าฉบับด้วยกันมอบให้ท้าวพรหมมนตรีถือลงมายังกรุงเทพเจ้าพนักงาน น, นําหนังสือบอกเจ้านครหลวงพระบางทั้งต้นหนังสือยวนเก้าฉบับขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาได้ทรงทราบใต้ฝ่าละ อ, องสุลีพระบาทแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ล่ามยวนและล่ามล่าแปลหนังสือยวน9้าฉบับนั้นออกเป็นภาษาไทยใจความคล้ายกันทั้งเก้าฉบับคือยวนเจ้าบ้านผ่านเมืองและนายด่านหรือคุณนางนายทัพนายกองก็ยกย่องสรรเสริญเกียรติยศเจ้านายฝ่ายยวนต่างๆที่เหลือจะพรรนาแล้วยวนกล่าวความติเตือนเจ้านายฝ่ายไทยเป็นอันมากเหลือที่จะพรรนาให้ละเอียดแต่จะกล่าวไว้บ้างเล็กน้อย คือยวนว่าไทยไม่ตั้งอยู่ในยุติธรรมไม่มีเหตุสิ่งใดในข้อวิวากเลยไทยก็เหตุยกกองทัพไปทำศึกกับยวนก่อนแล้วไทยยกกองทัพไปตีต้อนพาครอบครัวผลละเมืองของยวนมาก็มากและไทยไปเบียดเบียนยึดหัวเมืองปลายเขตแดนของยวนไปหลายตะบลหลายบ้านหลายเมืองยวนก็ไม่ว่า เพราะเห็นแก่บุญคุณไทยอยู่แล้วในหนังสือหยวนกล่าวความยุยงเหล่า ว, ว่าพวกเหล่าหัวเมืองเหล่านี้โง่งมสมเะยอมตัวให้ไทยใช้สอยเหมือนกับวัวควายพวกหล่าหลงเชื่อดิ้นลมไทยยอมให้ไทยมาเกตสวยสาอาก่อนในบ้านเมืองเลาวหล่าหาควรจะให้ไทยเก็บสวยไม่เพราะเมืองเหล่าเป็นแต่เมืองพึ่งบุญ ไม่ใช่เป็นเมืองเฉลยของไทยไทยรรกได้ตีได้เมื่อไรเล่าพวกเราวงูยอมเสียสวยให้แก่ไทยทําไมหาขวนไม่ถ้าเมืองลาวทั้งปวงเหล่านี้มีใจยินดีจะชักชวนให้พร้อมใจกันทุกเมืองแล้วกลับใจมาขึ้นกับยวนยวนก็จะไม่เก็บสวยแก่ลาวเลยแล้วยวนก็จะไม่กักเกณฑ์ผู้คนลาวไปใช้สอยที่เมืองยวน ย้วนจะขอให้ราจัดส่งดอกไม้ทูปเทียนกับของป่าเล็กน้อยเป็นบรรณาการไปถวายพระเจ้าเวียดนามสามปีครั้งหนึ่งเท่านั้นซึ่งราจะมาเป็นข้าขอบขันทศศีมากรุงเวียดนามกรุงเวียดนามจะไม่เบียดเบียนพวกเราเหมือนพระเจ้าแผ่นดินไทยขออย่าให้พวกเรามีความสงสัยอย่างอื่นเลยให้ราพวกนี้ เที่ยวสืบถามตามหัวเมืองลาวสิสองปนาที่ขึ้นแก่ยวนดูเถิดเจ้าพนักงานนำข้อความตามหนังสือของยวนก้าวฉบับที่ส่งมาและแขวนไว้นั้นขึ้นทูลกล้าวถวายได้ทราบใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทแล้วจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้ท่านเสนาบดีและขุนานางผู้ใหญ่ประชุมพร้อมกันคิดหนังสือตอบยวนบ้างทั้งทางบกและทางเรือทางเหนือใต้ทุกทางเป็นใจความว่า หนังสือท่านอครมหาเสนาบดีผู้ใหญ่ซึ่งรักษาพระนครกรุงพระมหานครสีอยุธยาแจ้งความมาถึงขุนนางยวนถังผู้ใหญ่และผู้น้อยให้ทราบด้วยเราได้รับหนังสือของยวนแม่ทัพและเจ้าเมืองหรือนายด่านที่ส่งมาแต่ทางเมืองเขมินและทางทะเลหรือทางเหนือกับทั้งฝ่ายเมืองลาวก็หลายฉบับ ได้พิเคราะห์ตรวจดูข้อความตามหนังสือทุกฉบับแล้วครั้นจะนําขึ้นถูลเกล้าถ ว, วายพระเจ้าแผ่นดินไทยก็ไม่ได้เพราะเนื้อความในหนังสือของยวนทุกฉบับนั้นเหลวไหลไม่มีประมาณถ้อยคําเป็นหลักฐานทารัฐการบ้านเมืองเลยเห็นว่าไม่ควรจะนําขึ้นถวายให้ความคุนเคืองใต้เมื้องฝ่าลองทุรีพระบาทพระเจ้าแผ่นดินไทยครั้นอ่านหนังสือของยวนแล้ว ไทยจะไม่ตอบให้ยวนรูบ้างยวนก็จะเข้าใจว่าไทยกลัวอำนาจยวนที่พูดจาหลอกลวงมานั้นหรือบางทียวนจะคิดสงสัยว่าหนังสือของยวนทุกฉบับหาถึงไทยไหมยวนก็จะเขียนหนังสือส่งมาอีกหรือนามาแฝนมาถึงอีกไทยขี้เกียจอ่านหนังสือของยวนรำคาญหูหนะักเพราะฉะนั้น ไทยจึงได้มีหนังสือตอบฉีแจงมาให้ยวนรู้ว่าซึ่งยวนมีหนังสือมาติเตือนไทยว่าไทยทิ้งความดีหาที่ร้ายและไม่มีเหตุผลทางวิวาสซึ่งจะโกรธกันยวนว่าไม่ได้คิดทำลายล้างทางไมตรีแก่ไทยไทยก่อการวิวาสกับยวนก่อนแล้วไทยยกกองทัพ บ, บกและเรือไปทำศึกกับยวนให้เสียมเสียทางไมตรีกัน ซึ่งยวนว่ามานั้นไทยก็ไม่เห็นจริงด้วยถึงแม้ว่า น, านานาประเทศที่เข้าไปขาขายอยู่ในกรุงพระมหานครศรีอยุธยาก็มีมากต่างๆชาติกันพวกเหล่านั้นเขาก็ย่อมรู้และเห็นว่ายวนยกตัวสูงเกินจากอํานาจบ้านเมืองของยวนไปแล้วยวนก็เก็บรวมแต่ความดีของยวนมาพูดว่าเล่นตามใจชอบยวนฝ่ายเดียว ยวนจงคิดดูบ้างเป็นไรข้อที่ยวนก่อเหตุร้าวฉานให้เสียมเสียทางไมตรีกับไทยก่อนนั้นยวนก็นิ่งเสียไม่พูดบ้างถึงยวนไม่พูดนั้นน า, นานาประเทศก็ย่อมรู้อยู่ว่ายวนมีหนังสือเข้ามาหมิ่นประมาทล่วงเกินบังคับบัญชาต่อไทยด้วยอาการพูดจาต่างๆยวนทำท่วงที เหมือนกรุงพระมหานครศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้นเมืองออกของยวนเหลือความข้อนี้ยวนไม่รู้สึกนึกคิดได้บ้างหรือยิงไม่หยิบยกขึ้นมาพูดบ้างถ้าไม่มีเหตุมีผลแต่หลังดังนั้นแล้วไทยหรือจะคิดทำลายล้างทางเมตรีกับยวนก่อนไม่มีเลยกรุงพระมหานครศรีอยุธยากับกรุงเวีวยดนามถอยทีถ้อยรักษา ทางพระราชไมตรีกันและกันมาช้านานแต่ครั้งนี้ไทยทำให้ทางพระราชไมตรีราวฉานไปดังนั้นก็เพราะยวนก่อเหตุการณ์ก่อนไทรจึงต้องเดินตามเหตุที่ยวนก่อ น, นั้นเองหาใช่อื่นไม่เหตุผลที่ทางพระราชามตรีเสียไปด้วยเหตุอะไรนั้นเหนือความก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจยวนสิ้นทุกประการแล้วให้เสนาบดียวน นึกซึกตรองดูเถิดตั้งแต่นี้ต่อไปอย่าให้ยวนมีหนังสือมาพูดจาว่ากับไทยดังเช่นนี้ต่อไปถ้ายวนมีหนังสือส่งทิ้งแขวนมาตามหัวเมืองลาวหรือเมืองฝ่ายเหนือใต้ในเขตแดนไทยเช่นนี้ต่อไปอีกแล้วไทยเก็บหนังสือของยวนได้ก็จะไม่อ่านไม่ดูแล้วจะเผาไฟเสียทุกฉบับหรือบางทีจะไม่เผาไฟบ้าง แต่จะเก็บต้นหนังสือของยวนส่งไปประกาศความชั่วยวนให้ปรากฏขึ้นในกรุงปักกิ่งแผ่นดินจีนให้เป็นพยานด้วยครั้นแต่งหนังสือนี้เสร็จแล้วถึงเขียนเป็นอักษรจีนภาษายวนเนื้อความถูกต้องกันทั้งเก้าฉบับประทับตราเสนาบดีแล้วส่งขึ้นไปให้หัวเมืองลาวทั้งเก้าเมืองให้นําหนังสือนี้ไปส่งให้แก่ยวนและลาวที่เป็นเมืองขึ้นกับยวนนั้นทั้งเก้าเมือง แล้วเขียนอีกสามฉบับแต่เนื้อความต้องการกับหนังสือเก้าฉบับนั้นแล้วส่งออกไปให้เจ้าพระยาบริณเดชาที่เมืองพระตะบองฉบับหนึ่งให้แต่งขมิญไปส่งให้กับยวนที่เมืองพนมเปญอีกฉบับหนึ่งส่งไปให้เจ้าพระยาพระทังที่เมืองจันทบุรีให้แต่งกรมการเมืองตราดนำหนันงสือนั้นไปให้ยวนที่เมืองบรรทายมาศฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่งส่งไปให้เจมินมหาดเล็ก ในพระราชวังบวนซึ่งเป็นนายกองเรือตะเวนทะเลตั้งอยู่ที่เกาะกงแฝงเมืองตราดให้แต่งเรือใบนําหนังสือนี้ไปแขวนไว้ที่เกาะคูหลุนหน้าเมืองกำปอดซึ่งเป็นถิ่นที่เจ้าภาษีรังนกของยวนมาตั้งทำอยู่ที่เกาะนั้นอ่า น, นามสยามยุทภาคที่สองตอนที่ยี่สิบห้า ความกลับหลอกของกรุงยวนเอาดีใส่ยวนเอาชั่วใส่ไทยกำลังเก้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป